อาณาธนาทำพร้อมกันนะคะ มันมีปัญหายอะมา ไอ้รูปแบบคือ สิ่ที่แท้จริงไม่ได้เกิดจากวัตถุจริงของเหล่านี้เพราะฉะนั้นเราผลปายาหาหนสานี่ทุกวันนี้เพื่อเราไปความสุขเป็นเหตดทางไปแล้วอยียบทิดทางไปแล้วไม่จริงเราจะบอกว่า จะเป็นบุคคลจะเป็นวัตถุสิ่งของท่านมีคนสิบนคนอยู่ด้วยกันก็จะยุ่งระดับสิบคนถ้ามีร้อยคนพันคนก็จะยุ่งไปมากกว่านั้นวัตถุสิ่งของก็เหมือนกันท่านมีรถสิบร้อยสิบคันท่านก็จะยุ่งไปสี่ระดับถ้ามีร้ 10, อยสอง ร, ร้อยคันท่านก็จะยุ่งไปสี่ เพราะวันนี้ทำให้พวกเราเดินออกจากความสุขที่เคยมีมาแล้วอยากให้พวราทำความเข้รกาััที่งกสันนความรู้จักกับร่างกายตนี้ การนี้เขามานั่งอยู่ตรงนี้ได้เพราะอะไรเพราะเหตุผลจากอดีตชาติผมนุ้ก็เลยมานั่งอยู่ตรงนี้วันนี้ แล้วต้องเสียต้อเจ็บตงตทีนี้เขาเกิดมาปุ๊บการบะรลุนักราชเกิดขึ้นทันทีเกิดขึ้นทันทีแต่เขามีันทางที่ใต้ตัวงเขายูแล้วร่างอันนี้คือเกิดแล้วต้องเ้องเจ็บต้องายรจะมีอำนาจบารนาดนบุญญาบรุนาดไจะสะกดเขาอยู่ไม่ได้เลย เขาจะต้องเดินทางไปตรงนี้ทีนี้มันเป็นเรื่องอที่เราจะเอา ม, า อ, ามาอยู่ในกของกถ้าไม่มีเขาก็อยู่ไม่ได้จำเป็นจะต้องรักษาเขาอยู่ได้เพราะอะไรเขาอยู่ได้เพราะข้าวสรารเขาอยู่ได้เพราะชีวิตของ หลับตึอูให้คิดูว่าเราเ็นยอยากจะกินเนื้อหมูเนื้อไค่เนือคือกินหัวเขาอยู่ตลอดแล้วพูดยังนะการที่กินหัวเขาอยู่ตลอดก็ตงใช้เลิการบำรุรักษาค่าใช้จายสูงมากสูงมากทีนีการใช้ ก็เราเอามาใช้หวังผลประโยชน์ในความสมบูรณ์ในความทำให้การเป็นมนุษย์สมบูรณ์ขึ้นก็เลยมุ่งก็เลยม่งชี้จุดไปที่วัตถุเป็นส่วนใหญ่ มุ่งกระชุ่นักุบุกคลความรุ่งเรื่องความเรือเรื่อจเอกจะดูยังไงเขาก็ต้องเสียต้องเสียกนตายบางคนยุคนี้สมัยนี้ท่กรรมยัญษกรรมอย่างนั้นอย่างนี้ใช้เครื่องบำรุงบำเดอชุดทั้งหมื่นสองหมื่ชุดละแสนชุดละหลายแสนพระพุทธเจ้าก็ทรงตรัไว้า ก็ให้ท่านบำรุงบำรุงของมากมายขนาดใหญเหมือนที่ลงบ่อลงเหวเปล่าๆเลยเขาไม่อู่เขาไม่ฟังดังนั้นจะทำเช่นนี้ทำคนาดให่สุดแต่งขนางใหญ่สุดท้าที่สุดท้าที่สุดทำอะไรก็ไม่ถูกต่อให้เขาเล่า มันเป็นของปฏิปุระเถิดมันเป็นขอที่อยู่ด้วยเศ้าสุดน า, า, นา ม, นมนาการบำรุงสูงทีนี้เราเอามาใช้ประโยชน์ประโของเขาเขามีมากนะมากท่มากที่สุดเพราะฉะนั้นต้องเรามาใร้ทาบรักษาสิ่งเจริสมาธิภาวานา รูตัวไว้สิ่พเรากลังทำกรรากับมถ้าเรามีโชคต้ อ, อกันกรับ เ, เ ก, กิดเ็นยอถ้าเป็นผู้หญิงก็จะสวยสเป็นผู้ชายก็จะ่อที่สุดเป็นผูนกก้งีคือรื่องของเรื่องของจิตใจ จิตใจที่เป็นงเป็นตัวของเราจริงๆเราไม่ได้นะตาเลยเไม่ได้เนขะตายเลยด้วยเสี้ยวกาแกกของเขา ไ, ได้จินะ้ไม่ได้เสียเงินรับสียงการบำรุงทางใจเขาไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่มีวันที่จะเข้าโรงพยาบาล ทีนี้มาพูดถึงการมาพูดถึงอาหารของใจอาหารของใจเนี่ยไม่ไยังเงินสักสุดเดียเดี๋ยวนี้เขาเป็นนักเสพทางอาารเราไม่เคยรักษาเขาเดี๋ยวนี้ถ้าพูดถึงเรื่องของความเปนจริงทางใจพวกเรานี่ปล่อยไว้ตามยะ จำะเดี๋ยวไป้คอยเขาไว้จำนะจำไม่ได้ดูเดนก็ทอะไรเยนี่คือโเกดแห่งความสุขที่แท้จริงคือใจแต่พวกเราไม่ได้ไม่ได้กเข้ามาเลยไม่ได้ให้ความสัขขนตรงนี้เลย ถ้าขาดการรักษาใจจุดเดียวพบชาติไม่มีจุดหมายปลายทายไม่มีเบื้องต้นไม่มีขั้นตอนไม่มีที่สิ้สุดที่เห็นเห็นอยู่รอบรอบข้างตัวเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรูปมากราไก่รน้ตดวงอะไรเี้ยเราเป็นมาหมดแล้วถึงว่าเป็นรูปแต่ว่ามาถึงตรงนี้ถ้าว่าเราไม่แก้ไขเราก็จะไปเป็นพวกนั้นแี่ยต่อบไป ที่นี่การรักษาจิตกับกายเนี่ยมันผิดกันมากนะถ้าจะออกกำลังกายต้องวิ่งฟุตเบสเราจานอาหารให้ครบหมู่ออกกำลังกายกนี่นเดินแต่จะไม่ได้การออกกำลังจิต กันไหมที่กำลังการออกกำลังที่จะกำลังอีกนิดนึงจำนวน76เป็นหนึ่งราชารอง คือการออกกำลังกาอกงจิตจิตกันมจิตนี้ทีนี้ระบบการทำงานของโสตุสีอารตั้งให้ผู้็นจะของโร น, นั้นคนนี้อยู่ตลอดพอใจนนั้นคนนี้อยู่ตลอดพอใจคนนั้นคนนี้กลับไปกลับมาอยู่ที่นี้เาจะต่องใหออกไป ไปเปลี่ยไปเสพไปกินไปนี่คือหน้าที่ของเขาถ้าจะปล่อยให้เขาอยู่อย่างนี้เรีกเขาได้ว่าฐานะของความเป็นยะกรรมทีนี้เราจะจะให้ทุกคนที่เราเป็นผู้จัดการมี ส, สิ่งและก็ดวงใจดวงนี้ดวงที่ว่าเป็นเราจริงๆเนี่ย เข้มามารักษาเขาปวดทุกที่ออกมันช่วยเจอเีุ่การอุบัติเหตทางใจกลางอากาศทางด้วยช่วย ท, ทันทีเขารักมากหลจนกายกลายเป็นหลงลดคุณภาพเราล้าออกจากใจเมื่อนี้ฉะนั้นคุณภาพทางใจจะลดน้อยถอยหนยถ้าจิตมีพลังไปกด้ เมื่อจิตงเราไม่มีพะดำไม่มีส้งานเวเลยขาจิตมี้งาเขาจะม่สุใจกับสิ่งเ น, นี้ขาจะสใจกับที่มี า, าเขาจะื อ, อ แห่งความไม่ตายปจัญใ จ, จ ท, ที่มีคุณภาพเขาจะถูอองค์ของความเป็นอภัฐยทานอยู่ตลอดเพราะฉะนั้นพวกเราคาดการประัญใจนะถ้าอยากเจอความสุขที่แท้จริงสนามความสุขที่แท้จริงง ความจริงของใจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติของตัวเองไม่มีเลขยงหลอกลวงใครทั้งนั้นแม้แต่ผู้เป็นเจ้าของแต่ถ้ายังซ่อมแซมของไม่ได้รักษาของไม่ต่อนักเรียนประจตัวของเราก็ติดใจดวงนี้ ใจเนี่ยไปได้แค่ไม่ถึงร้อยปีคิดใจนี่กายนี่เขไปได้ไม่ถึงร้อยคิดใจนี่เขไม่เปลี่ยแต่ระยะที่เขากำลังเชื่อมอยู่ด้วยกันเนี่ยน่นาจะมีประโยชน์มาตรงไหนตรงที่เรา เา ป, ปฏิบัติทำนะแต่ไม่สามารถที่อารอกมาที่ใจนะเพราะไม่มีตัวเชื่อากายร่างกายอันเนี้ยพระพุทธเจ้าปราสเอาไว้มากไม่มีแก่นเต็มไปด้วยของปฏิบูโสโครยยน ย, ยน ย, ย น, ยยนยทั้งหลายอย่างไรยงไรจะรักษาสอย่างไร เขาก็เป็นปสัิปุริโสโปรตสานธรรมดาอางนี้ลนะแต่ที่นี้เขามีความสำคัญตรงไหนใครอยากไปพระนิพพานบ้างต้องมีกายเป็นที่ต้องมีกายเป็นที่ถ้ามีแต่ใจดวงเดียวไม่สามารถที่จะไปได้ อย่างเทวบุตรเทวดาเขาฟังคำได้เขามีจิตดวงเดียวเขาปฏิบัติทำไม่ได้เดี๋ยวเนี้ยะไรที่ไม่มีกัญสาที่เต็มไปด้วยปฏิกูลสูโปรเนี่ยเป็นเครื่องมือสําคัญจุดหนึ่งที่จะทําให้จิตใจอันเนี้ยเป็นอริยะไปได้ถ้าเป็นรถวนต์ก็รถตัวเดียวที่ขาดไม่ได้ถาขาดกลิ่นไม่ได้ ตอ น, นสุดท้ายของชีวิตที่เขาจะามไปเผาทิ้งเอาเขามาสร้างแกนสารให้เิตกับจิตใจที่บวชสร้างให้เขา จ, จิตใจนี้เป็นอริยบุครสิ่บัชผมเอาไปเผานี่คือประโยชน์ของกายประโยชน์ของจิตรักษาถักางปฏิบัติสุขภาวะรับษาตั แต่เขสืสขอนภูมิุกข้ผู้เจครับถูงเช้าเย็นสินซาจิปัญญาถ้าเขาทาที่สุดแห่งจิตใจจิตใจตัวนี้จะเป็นที่พึ่งจันทรเสือจิตใจอันนี้จะเป็นที่พึ่งตลอดกาลถ้าพูดถึงวัดทุสิ่งทเอาคว้าขงั า, า ก, กายจาักใจ คนอื่นสิ่งอื่นอันนี้ไม่ใช่ของใครสักคนแล้วก็เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงสักอย่างสิ่งที่เที่ยงที่สุ ด, ดคนนือธรนมะกับใจไม่เคยเสื่อไม่เคยตกอยู่ ใ, ใต้ของขอำนจาจถ้าบุกเข้าไปจริงๆ ถ, ถึอทน่นั้นนั่นคือโลกของความจิง ไม่ได้จอือ่ไม่ได้จอืจอยาจะทำอะไรเราจะรับา ใ, ให้ใจใหีราง้าเรามโอกาสแค่ร่างกายอันนี้อยู่ด้วยเท่านั้นถ้าร่างกายอันนี้หมดอายุไขลงเราจะได้คิดเลยว่าเรา จะปฏิบัติทำไปไเวลาเหลอยู่ไม่เดียวเหลือยู่ไม่เดียวทีนี้การปฏิบัติพระพุทธเจ้า ก, ก็แบ่งระบบของความเป็นสาระออกเป็นโสขญาณญาณที่หนึ่งสำหรับผู้ที่ ไม่อยากไปทระท่านคือทานิีลธรรมะถ้าเขาอยู่หนพสามอย่างนี้เขาก็จะต้งเที่ยวอยู่ในภพที่ไม่ไรับทุขภัยะกินขัต่เปนเดกธราเป็นยินเนทองไปไม่ถึงกับโลอบ า, ายทีนี้ถ้าอยากต่อจากสวรรค์จากพมทโลกเข้าสู่พร น, นุพา ต้อรักษาสินสมาธิปัญญาไม่ได้เกี่ยวข้องกับวรตถุสิ่งของไม่ได้เกี่ยวข้องกับคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นการรักษาจิตใจเพื่อที่ไปโลกของความเป็นจริงไม่ได้เกี่ยวข้องติดขัดกับคนใดคนหนึ่งในโลกไม่ได้ติดขัดอยู่กับวัตถุสิ่งใดสิ่งหนึ่งในโลก ถ้าปฏิบัติถึงที่สุดจิตใจตวงนี้จะไม่มีความถ่วพันยึดมัน่นถือมั่นกับคนใดคนหนึ่งในโลกวัตถุสิ่งของก็เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นพวกเราปใดไม่มีพระเอกี่้าขาวไมนแน่นตรงนี้เราต้องรู้จักธรรมะตน จะเป็นสู้ช่วยตนเองถ้าเรารอคนอื่นเราจะพลาดโอกาก จ, จากตัวท่านที่เมื่อเวลาั้นมาถึงเพราะฉะนั้นก่อนจะออกไปจากธุท่านผู้เรียนจบมหาวิทยาลัยทางใจลูกขาวดำจริงยั้นท่านจบ มหาวาอะไรทางใจไปแล้ลงปู่ลงมหาบวาัวจ่าทุกท่านจบทานทาจบทจบมาอะไรทางจิตใจไปลแล้ววนไม่รู้จะเอาอะไรกันเนี่ยม า, มาัา น, น, น, าน้ก็จะไป้ไ้ั น, นหมดเวลาไ ล, านลานไนันเะลัน่งเฉยนนียนะ ใจก็ไม่เคยเข้าไปดูลึกๆของหัวใจอยากไปพ่นี่ผ่านเองเพราะเราสร้างความคิดใหม่ชนะสร้างเกียรตนะของตัวเองใหม่เสียคุยให้รู้เรื่องเวลาที่เหลืออยู่จะเอาโลกหรือจะเอาธรรมจะไปต่อหรือจะเดินตามอริยสสาบกเข้าสู่โลกของความจริงตรงนั้น ไม่มีทุกเกียคนนะไมมีทุกเกียคนไม่มีควาา่า้ น, นั้นผมเป็นช่วรันเป็นจักราลชั่วนีรันไไมู่รรูหมดทุกอย่างอยู่ตรงนั้นมีเยอะกว่านี้แต่เอมเป็นคำูไม่ได้เยเพราะฉะนั้น เราก็คนหนึ่งมีสิทธิ์เท่ากันที่จะไ ป, ป่ฟ้าเอาคำว่าศาสนาศาสนาเท่เากันนพระพุทธเจ้าไม่ได้กำหนดกฎเกณฑ์ว่าเพศใดวัใดชาติชั้นวรรณะใดขอให้เกิดเป็นมนุษย์เถอะเจอพระพุทธศ า, าสนามีสิทธิ์ที่จะไ ป, ป่ฟ้ า, ส า, สาเท่ากันเุกคนแต่วเราที าเป็นศาสนาเนพระพสงฆ์เ น, นี่ยจะต้องที่ของพระสงฆ์เนี่ยหายแล้วทำให้ตัวเองโมฆะทางไปเรื่อยๆเป็นสุ้งซัดออกจากฝั่งไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นใจทุกเมื่อแล้วสาวเขาจะไปตามที่เาคิดอูระดับเขาอยู่เ่อยวเขาคิดอยู่เดียวนี่แหละระดับเขาจะพาเราไปเกิดเขาคิดอยู่เดียวนี่ะ ก็ไมไ่สูงกว่านี้แหละแต่ที่นี้ถ้าเรารักษานี่ทีรักษาที่ต้องที่จะเข้าสูทางนิทานทีทกทจิตใจให้ใสสะาการที่จะมาทจิตใจให้ใสสะาเป็ น, น่องายากเพราะะนั้นนิินหนึ่งเนาะจิตใจที่ ปล่อยให้เขาเสพอารมณ์อยู่ข้างนอกเขาจะไม่มีสิทธิ์เป็นสมาธิบวกเขรามาตร้แล้วก็เาความดีๆักนิดนึปฏิบัติถ้าปล่อยให้เขาเสพอารมณ์อยู่ข้างนอกเขาจะไม่มีสิทธิ์เป็นสมาธิเลยยิ่งเสพยิ่งเสียยิ่งเสพยิ่งยสยยิ่งเสพยิ่งอยากเสพทีนี้จตที่จะเป็นสมาธิได้คือจิตที่ถูก ตัดกระแสของความคิดแล้วเอามาตั้งไว้ที่กายเพราะฉะนั้นถ้าเรากำหนดจิตจากอารมณ์ต่างๆขงองโลกเข้ามาหากายเมื่อไหร่บุญเกิดทันทีพลังจิตเกิดทันทีถ้ากำหนดดึงเข้ามาอยู่ได้นานๆจิตดวนี้ก็จะขัดเราตัวพัฒนาตัวแอปป็ไปเล สาษาถืตัวที่ตัวเองขึ้นสสาเดี๋ยวนี้เขาช่วยตัวเองไม่ได้ทำยังไงเขาก็ช่วยไม่ได้ทิดเลยเอาูไปโกรธไปหลงอยู่เขาช่วยตัวเองไม่ได้ถ้าพวกเราได้ยินเสียงจิตองพวกเราพวกเราจะร้อไห้ไหมเนี่ยจะโกรธให้ผู้เป็นเจ้าของ ตลอดเวลาเลยว่าช่วย่วยไปทีตลอดไปใช้เหอเกอยากนี้จากตรงนี้แล้วเราเข้าไปช่วยเขาให้ปัดจากทารุณการเป็นสมาธิเขาจะเป็นสมาธิเองการที่จะก้าวเข้าสู่ความเป็นนิพพสนเขาเองเดี๋ยวนี้เขาทํางานตรงนี้ไม่ได้เพราะเขา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 ลึกลับอยู่อย่างเดียวคือเขาไม่มีตัวตนเขาไม่มีสีสันเขาไม่มีแสงเสียงตัวที่จะเข้าไปควบคุมคือสติไม่มีตัวตนไม่มีเสงไม่มีสีมไม่มีเสียงเหมือนกันสติสติคือความระลึกสัมปัสชิงยะคือความรู้ตัว อันนี้ถ้าได้ถึงจริงจริงิบัติแล้ามันสำคแสตสตตัวเนี้ยเขาไม่อยู่กับเรานะ่ยเราเดินออกจะก้องนี้เขาหนีทางทีเลยเขาลอน อ, นอยู่บนอากากเพราเราจะใช้สอักวโมสงสองค่ำแล้วกาทำงานครบเสร็จทขาสีทราบสตตัวเนี้ย ภาคการรมฐานในต้อให้ดึนสติตนี้ออกมาควบคุมความคิดควบคุมความคิดสติตัว น, นี้ไม่ใช่ธรรมดาเลยสติตัว น, นี้ส <c oughs> มมติว่าเราจะมาถามโยมเ ท, ท่าไหร่แวพวกข้านเข้าโรงเรียนชั้นตัวสอยู่ที่จังหวัดไหนขอส อ, อะไร เป็นเลืองของสติแล้ใช่มเนเ่องของสติิจะต้องยึดจิตยึดจิตย้มเลยเยนเป็นเลืองของสติแต่ทนี้นะปฏิบัาควบคุมควบคุมเะลึกอยู่เรื <transparency> ่อยๆยเลยๆของมีพลัง มีพลังขึ้นสมลังขึนพลังขึ้นความควบคุมจากการมาเยอะขึ้นก็จะตีข้างสีขี้ีาสีสุดท้ายุมไม่ออกเมื่อกุมอีกนี้ก็ไม่มีสิทธิจะคิดไม่มีสิทธิจะคิดก็คือรอจนสุดอายุระยะที่ควบคุมกันดึงไปดึงมาอยู่เนี่ย รู้ไหมว่าของสะสมพลังถ้าดคำนดได้เป็น1ได้1ชั่วโมงเอา1ชั่วโมงนั้นการ์ตูนพลังพลังจิตทันทีเดี๋ยวนี้ตัวนี้ได้ไหมนะจะเป็นพลังจิตทันทีตีตัวเนี้ย ถ, ถ้าเขาแก่ตัวถึงมันควบคุมได้ เขาจะแก่ตัวสึ้ไปขึ้นไสขึ้นไเรื่อยๆขึ้นไปถ้าอาจจะมาถามว่าเข้าโรงเรียนชั้นประถมปีที่หนึ่งอยู่ที่ไหนเขาก็จะเรีด้วยสิ่ตัวที่มีพลังในการฝึกฝนเขาไม่ไม่จำกัดเฉพาะเข้าโรงเรียนชั้นประถมปีที่หนึ่งนะ เขาจะทะลุชาติไปรู้ทันทีเลย ว, ว่าก่อนที่จะมาเป็นมนุษยชาติที่แล้วนี่เป็นอะไรอยู่สติจะดูไม่ใช่ธรรมดาเขาจะทันเลยอยากรู้ไหมก่อนจะมานั่งอยู่นี้เป็นอะไรมาก่อนเขาอย่ารู้เลยาอาจารย์ดัน เรื่องจิตเป็นเรื่องสําคัญถ้ารักษาได้เขามีระดับขึ้นมาขึาน้นโดยเฉพาะความเป็นสมาธิน ะ, ะประทับประดองการที่จะเอาจิตเป็นสมาธิจะมาสะดวกกว่ามีทั้งการรักษาภายนอกมีทั้งการรักษาภายในภายนอกก็คือตามเหตุการณสถานการณ์ที่เกิดนสิ่งๆ ไ, ไม่พอใจไม่สุขใจมากจงเกินไปสะกดเล ย, เลย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 ถึงแม้ว่าคนคนหนึ่งจริหยิบยกขึ้นมาทั้งๆ้ที่เราก็รู้อยู่ไม่ต้องพูดเสียเวลาเสียเวลาสู้การกำหนดจิตใจไม่ได้ไม่ต้องพูดนี่คือเอาเรว่าทำสมาธิไม่ออกเดี๋ยวุ่เมื่อเจริญไปนุ่ลายพุ่งเสียเวลาเสียโอกาสเสียทุกอย่างนิไม่ดีนินทาเขาก็พุ่งหัวเอา เสียไปอีกทีเด้จิตสมาธิไหนสมาธิไหนคือควบคุมควบคุมไม่ให้เขาออกมาโดยบทบาทถ้าไม่ใช่เรื่องที่จะคิดไม่ต้องให้ออกมาควบคุมไม่ใช่ว่าไม่ให้คิด คิดได้ถ้าเราควบคุมอยู่ยบ่ยบยบยอยๆตลอดถ้าถึงสติมีถ้าเราควบคุมปุ๊ถ้าสติถึงส า, านะความเป็นการควบคุมโดยปริยายแล้วเนี่ยเขาจะกลายจะเป็นสัมปชาญาัญญะทีนี้หมดสิทธิจากการควบคุม ท, ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่เป็น ปกติที่เราต้องการไม่ได้ควบคุมถ้ากลายไปเป็นสัมปชัญญะเมื่อไรแล้วไม่ได้ควบคุมรออยู่อย่างเดียวคือรอชั่วโมงเต็มถ้าชั่วโมงเต็มเมื่อไหร่จิตเป็นสมาธิพึททันทีได้ไหมเนาะสงสารเนื้อจิตเป็นสมาธิพุททันที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 สามหมื่นรอบต่อนอาทีก็ช่วยลุยแหลกไปเลยมันต้องอย่างนี้ปฏิบัติธรมเขเชื่อมาเสมอว่าติดส่วนใดส่วนหนึ่งของความเป็นาศาสนาอย่างเขาจะหลานาได่เรื่องไหล่ะ่าใจกลางของความเป็นาศาสนาด้วยกัน เข้าถึงที่สุดได้ทั้งบาปทั้งบุญทั้งกรรมทั้งอะไรที่หายหมดเลยบุญที่ทำนาในหวางว่าจะทั้งซื่อถ้าเข้าเขตของโรคของความเป็นจริงแล้วหายหมดเลยหายหมดเลยจะทำใไนมไรู้หายไปไนบาปขอรู้หายไปนบุญไม่รู้หายไ ป, ยปไน ด้รร่วมมือสร้างิตผู้เลาชีพหมหยิ่ศาสนาล ง, งแล้วต้องใช้ความเป็นรูปธรรมการคิดหม่ของหม่ของเขาเนี่ยองค์รูปธรการใช้ยังให้ผมตลอดกาล ท่านรู้เข้าใจเองนะว่านานแล้วคงจะไม่แล้วไม่ใช่ศาสนาในเป็นของขั้นสมัยอยู่เสมอใช้ได้ทุกยุค ท, ทุกสมัยไม่มีคามําว่าล้าสมัยเพก็เข่าใจไหมไม่มีคำว่าล่าสมัย เราจะไปคิดเราจะไปทบทวนสิ่งที่จะเข้าไปหาธรรมของตัวเอง ไ, ได้ การพัฒ น, น, นาบุคลากรวิปันนนปนสนาทีนะ่มีอาชีพการงานที่ดีประชาชที่เราจบการศึานี้้าจเจอการยื้อตังที่ทางการเป็นง า, านทมอบหนาผ้ามเป็นวิปัสสนาให้สองย่กว่า 29.00 วิปัสนาวัน9 yeah uh -huh.